สี่ปทมาสารีปุตตสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรสูตรที่หนึ่งหนึ่งสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์อยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธิบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกริ้นแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ไหว้แล้วนั่งนที่สมควรได้ถามท่านพระสาริบุตรดังนี้ว่าท่านสาริบุตรเพราะประกอบด้วยธรรมเท่าไรพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์หมูสัตว์นี้ว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีแต่ความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้า ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุเพราะประกอบได้ทำสี่ประการพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์หมู่สัตว์นี้ว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าทำสี่ประการอะไรบ้างคืออริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 ปทมาสารีปุตตสูตรที่4จบ